ก็ขอโมทนากับพวกเราเนยในช่วงเที่ยงครึ่งพอดีจะครึ่งละเดือห้านาทีก็มีมามากันสองรูปเนเดี๋ยวได้ช่วยกันตอบหน่อย <c oughs> <c oughs> ดีนะโยมเนะี่ยเพราะมาเกิดปัญหาบางปัญหามาตอบไม่ได้จะให้ท่านมหาอนาจท่านช่วยตอบ สถานการณ์อย่างนี้ค่ะเราได้เห็นภาพมาทุกปีทุกปีเราได้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏในสายตาของเราทุกปีก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่เป็นสถานการณ์จริงที่คารวาททั้งหลายเนี่ยค่ะจะต้องเจอต้องนึกและทำให้ฝังไว้ในความรู้สึกของเด็กสาววัยรุ่นว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีโอกาสนะได้ไป แสดงความสามารถนะคะเขาใช้คำว่าเป็นแสดงความสามารถจริงๆแล้วเป็นการแสดงอะไรกันแน่ในแง่มุมของเราเชาวพุทธแต่เนื่องจากว่าเสียงนี้ก็ตามการบันทึกภาพนี้ก็ตามจะเป็นประโยชน์นะคะในการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันจึงทิ้งไม่ได้กับหัวข้อนี้กราบนะมัสการพระคุณเจ้าเจ้าข้าว่า โอกาสแบบนี้เนี่ยเราจะวางจิตยังไงวางทีท่าอย่างไรถ้าจะเข้าข้อก็คือเรื่องของทานเรื่องของศีลของเราเนี่ยเจ้าค่ะกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะก็ก็ขอโมทนาปัญหาปัญหาลักษณะนี้ตามพระเลย <laughs> พระก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเขาทอะไรกั น, น <laughs> ถามว่าถ้ายางถ้าพระมองเนี่ยก็คนละประเด็นกับโยมมองเนาะ พราะพระนั้นนะ่ะจะต้องชำนาญในการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจไตตับปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้คือธาตุดินดีสเลตหนองเลือดเหงือมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายเป็นต้นเหล่านี้มันธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างเป็นต้นนั้นเป็นธาตุลมแล้วก็ไฟยางกายอบอุ่นไฟที่ยางกายสุดโสมไฟเผาอาหารให้ย่อยเป็นต้น อันนั้นเป็นธาตุไฟฉะนั้นถามว่ากรณีอย่างนี้ถ้าพระมองก็ขาดใช่แต่ถ้าอย่างยอมท่านทั้งหลายจะมองอยังไงเราต้องคิดอย่างนี้ยอมต้องมองเหตุผลก่อนนะเข้าใจเหตุผลว่าถามว่าอะไรหนาเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเกิดมา ม, มีรูปสวยต้องเป็นรูปสวยจริงๆนะไม่ใช่สวยแบบประเภทที่ตกแต่งถ้าเราดูว่านางวิสาขาไม่ต้องใช้เวลาเข้าร้านเสริมสวย อันนั้นคือนางวิสาขาเพาะนางพาะเธอเป็นเป็นจากกรียานีนะงามหาประการมีผิวงามมีเนื้องามเป็นต้นก็ว่าไปแต่ว่าในกรณียุคนี้เทคโนโลยีสูงบางครั้งไม่ค่อยสวยมากหรอกแต่ก็ใสยประดับประดาตกแต่งกันใช่คือสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาล เข้าร้านเสริมสวยอะไรเยอะแยะเบีดเสด็จเขามีวิธีกรรมกิจกรรมเยอะแยะเท่าที่มาได้ยินคนก็พูดมาฟังก็ตกใจว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ขนาดนั้นเลยมีการผ่ามีการตัดมีการทําอะไรกันเยอะแยะเบีดเสด็จใช่ไหมอันนั้น ก, ก็ว่ากันไปแต่สรุปก็คือว่าถ้าสวยเนี่ยนะถามว่าเขาทําบุญประเภทไหนมาจึงสวยจะลืมนะว่าคนที่เขามีความงามมาอย่างนี้แปลว่ากุศลศีลเขาดีมากนะ่ยในอดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันนะ นายดีดน่าดีมากตัวกุศลรศีดีมากแล้วอย่างหนึ่งเวลาเธอให้ทานหรือบุคคลเหล่านั้นให้ทานเนี่ยเขาจะให้ทานด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของความดีเขาจะมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยมากฉะนั้นศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยความที่จิตผ่องใสใช่ไหมยอมสภาพลักษณะของความผ่องใสความเอิบอิ่มของจิต สภาพจิตนั้นไม่มีมนทินคือราคาโทสาวโมหนะนั่แหละในขณะให้ทานและมีศีลด้วยตัวกรรมประเภทนั้นแหละตกแต่งสรีละทําให้มีความงามนั้นกรรมเหล่านั้นถ้าเป็นชนกกรรมยังปฏิสนธิให้เกิดขึ้นพอมาเกิดเป็นมนุย์นสดในภพใดหรือเกิดเป็นเทวดาแต่ละชั้นในภพใดในภูมิใดก็เป็นผู้มีผิวพันงดงามอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเจตนากรรมเป็นตัวแต่งแต่งผิว แต่คนเราเนี่ยเวลามาเกิดแล้วเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวกันทั้งนั้ น, นโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมาไปเสร็จก็มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมพลาดเพราะมันได้แค่แค่แค่ว่าเชื่อมั่นในกุศลความดีไงคำว่าเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยบางท่านอาจจะตั้งมั่นเชื่อมั่นในคุณของความดีนะบางท่านเนี่ยแค่ความดีเนี่ยเขตั้งมั่นเชื่อมั่นตรงนั้นเขาก็ทําแล้วเขาทำได้จิตเลื่อมใสจิตผ่องใส กรรมแบบนั้นนะ่แล้วเขามีศีลดีด้วยมีความไม่ฆ่ามีการไม่รักไม่ประพฤติผิดในกาลไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอกรรมประเภทนั้นก็ทำให้ตนเองนั้นเกิดมามีสรีระที่งดงามผ่องใสใครเห็นก็ยินดีใครเห็นก็ชอบใจใครเห็นก็ยกย่องแต่อย่าลืมนะถ้าคนที่ทำกรรมประเภทที่ตั้งอัธยาศัยไว้พลาด งามเพื่อต้องการให้คนเห็นแล้วรักหลงไหลในตัวเราอันนี้เขาเรียกตั้งผิดซึ่งผิดกับพระบรมศาสดานะพระศาสดาจะตั้งอัธยาศัยให้สรีละงามอย่างยิ่งแต่เพื่อเป็นปัจจัยคนตั้งศรัทธาเห็นแล้วจะได้ไม่เกิดราคะเห็นไหมอัธยาศัยที่ตั้งเนี่ยมันผิดมันต่างกันไอตัวอัธยาศัยเจตนาและนามธรรมที่ตั้งนี่แหละเป็นตัวตกแต่งสรีระแต่งตกแต่งรูปขัน เวทนาขันสัญญาสังขารและวิญญาณไอ้ตรงนี้นะเราก็มองดยทางด้านของกุศลรกรรมนั้นท่าทีหนึ่งถ้าเรามองอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราเห็นผลเนี่ยมันไหลมาจากเขตไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาโดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็แปลว่าเข้าใจเหตุกับผลตรงกันเนยอะมยมว่าเหตุ ด, ดีผลดีเหตุชั่วผลก็ชั่วนี้แปลว่าเข้าใจและเข้าใจในส่วนของเหตุและผล อันนี้มาจากศีลหามาจากกุศลกรรมรบท10ทีนี้มาดูพฤติกรรมนะของบุคคลคนนั้นที่กําลังแสดงในปัจจุบันนภพอันนั้นเป็นพฤติกรรมว่าเธอเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไหมถ้าในปัจจุบันภพนะถ้าเธอได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่หไหมมีกัลยาณมิตรซึ่งประกอบไปด้วยกัลยาณธรรมทั้งหลายกัลยาณมิตรก็ประกอบให้ท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องทีนี้ถ้าถามว่า กิจกรรมในการโชว์ความสวยความงามซึ่งมีเยอะมากบางท่านเนี่ยเป็นคู่ที่เขียนนิตยสารความสวยความงามขายดิบขายดีไปทั่วป้าเมืองไทยก็มีใช่ไหมว่าบางทีก็เจะเสริมยังไงจะแต่งยังไงจะให้เกิดความงดงามเป็นต้นเหล่านี้ถ้าถามบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองว่ากิจกรรมในลักษณะอย่างนี้เขาแข่งอะไรกันอย่างที่ได้กล่าวมันมองสองนัยยะ มองสองในยักก็คือว่าแข่งความสามารถหรือแข่งรูปผิวพรรณโดยส่วนใหญ่ก็คือขับเน้นไปที่สีผิวทั้งๆ ท, ท, ที่เราบอกว่าเอเอาความสามารถมาเป็นจุดเด่นจุดขายนะแต่ที่สุดจริงๆก็คือสีผิวแต่อย่าลืมนะว่าเบื้องหลังของการแข่งขันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานนะเราะมันการแข่งขันและเป็นการช่วงชิง ยอมมองอย่างนี้ว่าโยมที่ทําธุรกิจทั้งหลายไม่ต่าง ก, กันกับการมาประกวดแบบนี้มันก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งไงยอมก็คือธุรกิจนั้นก็คือจะต้องกระตุ้นอะไรกระตุ้นโลภะใช่ไหมธุรกิจนั้นขับเน้นคือกระตุ้นโลภะถ้าโลภะยิ่งมากธุรกิจนั้นก็ขายได้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันว่าธุรกิจทุกชนิดเนี่ยเขากระตุ้นอะไรกระตุ้นโลภะไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถธุรกิจเรื่องการค้าการขายทุกชนิดแม้ธุรกิจเรื่องการแสดงและธุรกิจเรื่องการความสวยความงามทั้งหลายเห็นไหมในนั้นจะมีการกระตุ้นทุกชนิดเลยว่าหนึ่งเสื้อผ้าของแต่ละชาติก็เอาแล้กระตุ้นธุรกิจของแต่ละชาติก็ว่ากันไปแล้วผิวพันธุ์ กระตุ้นเสื้อผ้ากระตุ้นผิวพันกระตุ้นการแข่งขันสรุปก็คือกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะแล้วก็กระตุ้นโมหะฉะนั้นถ้ากิจกรรมใดที่สามารถกระตุ้นโลภะได้มากโทสะได้มากโมหะได้มากธุรกิจนั้นเ้าเรียกว่าธุรกิจดีไงเจริญรุ่งเรืองมันเรียกเรื่องธุรกิจของการกระตุ้นความอยากให้มนุษย์นั้นมีความอยากมากขึ้นได้มีความโกรธมากขึ้นแล้วก็ความรุ่มหลงมากขึ้น ย่อมคิดไหมว่าเบื้องหลังนะ่ะถามว่าใครเป็นกรรมการฉะนั้นเรามองเนี่ยเราต้องรู้ทั้งโดยข้อเท็จจริงว่าจริงๆมันคืออะไรถ้าเรามองมองมองออกเนีเรามองคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าออกแล้วเราก็จะฉลาดคิดมากขึ้นว่าอ๋อเป็นกิจกรรมเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งที่เขาต้องการอยากจะให้มีคนดูและเมื่อมีคนดูเบ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็มีการถ่ายทอดกันไปทั่วโลก เมื่อมีการถ่ายทอดกันไปทั่วโลกแลว้วเบสเสร็จเนี่ยมันก็มีผลกำไรจากการที่ขายได้เห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของการค้าเราดีๆเนี่ยโดยชนิดที่ว่าพยายามปั้นหรือบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาเอามาเป็นตัวเชิดหรือหลายๆคนแต่ละประเทศขึ้นมาก็นั่นคัดสรรกันขึ้นมาแล้วก็ามาเป็นการระดมกันขึ้นมาแล้วก็เลยเรียกกันว่าเป็นการจัดแข่งขันนางงามจักรวาลก็ว่าไป แต่ที่สุดก็คือว่าทั้งนี้และทงงั้งนั้นก็เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อกระตุ้นโลภะโทสะโมหะคนที่ปกติมนุษย์ก็มีความโลภอยู่แล้วปกติมนุษย์ก็มีความโกรธอยู่แล้วปกติมนุษย์ก็มีความลุ่มหลงอยู่แล้วกิจกรรมในลักษณะนี้ก็ทําให้ความโลภเพิ่มขึ้นทําให้ความโกรธเพิ่มขึ้นความลุ่มหลงเพิ่มขึ้นคนก็มีความใฝ่ฝันแล้วก็รุ่มหลงก็อยากจะเป็นอยากจะนั่นก็ควายคว้าก็เอาความสุขไปไว้ในอนาคต ก็ทุกในปัจจุบันกันต่อไปก็ไม่รู้ว่าควรจะเดินวิธีคิดอย่างไรแล้วถ้าเราอยู่ในวงจรธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราจะทํามาหากินยังไงะคะโอภาสให้คนแนะนากันทำมาหากินคือคืออย่างนี้ให้มาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งไหมในธรรมบดในในใ น, ในพระตรบิฎกนะในตาลปุตตสูตรก็คือไม่ต่างกัน ในตาลปุตตะเทระคาถาก็ไปดูทั้งในขุทกานิกายเทระคาถาก็ดีในตาลปุตตสูตรในพระในพระไตรปิฎกมีทั้งสองส่วนอันนี้ก็มีอาชีพอาชีพลำอาชีพร้องอาชีพนักแสดงใช่ไหมถ้าถามบอกว่าถ้าถ้าทำอย่างเนี้ถ้าเป็นการเดินเพื่อบูชาเนี่ยเป็นบุญอย่างมากเช่นจะบูชาคุณของพระรัตนไตรยัยนะ ก็แต่งประดับประดาให้งามเลยเพราะต้องการบูชาพระเจ้าแล้วก็ถือดอกไม้นะเนี่ยมีมงกุฎมงกุฎอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะก็จะได้มาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาถ้าคิดอย่างนี้นะโอ้โหท่างนี้จะจะจะเลิดมากเลยแต่ถามว่าเธอคิดอย่างนั้นไหมเธอไม่ได้คิดอย่างนั้นไงเพราะเาหตุนในวิธีคิดเนี่ยมันเป็นการวิธีคิดเพื่อกาม เพื่อวัตถุ ก, กรรมเพื่อกิเลสกรรมเพื่อความติดข้องไงเพื่อความยึดติดเพื่อความห่วงแห็นและเพื่อความจะเพิ่มตันหาราคะให้มากขึ้นมันก็เลยไปพลาดทั้งๆั้งที่มุมนี่เี้ยจะสามารถทำให้เป็นความดีก็ได้ขับเน้นความสามารถความฉลาดหรือทักษะอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วก็กรณีอย่างนี้ที่ทำอย่างเนี้ยเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศ ฉะนั้นต้องการอาวัฒนธรรมของประเทศนะั้นามาแสดงเพื่อให้คนได้ทราบว่านี่เป็นวัฒนธรรมประเทศของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นการแสดงออกโดยเฉพาะถ้าไปจากประเทศไทยก็ขับเน้นเรื่องพระรัตนตรยัยใช่ไหมเพราะชาวพุทธตั้ง9กกว่าอย่างเงี้ยนะก็ขับเน้นบูชาพระรัตนตรยัยคนทั้งโลกได้ตะลึงเลยเงี้ยนะว่าเขาบูชายัางไงถ้าอย่างนี้ก็โอ่องี่ก็ชัดเลยเป็นการขับเน้นในการที่จะต้องการที่จะให้จเจริญกุศลอย่างเงี้ยนะ แต่ถึงแม้จะอยู่ในกิจกรรมเหล่านั้นก็สามารถที่จะเดินได้แล้วก็คือของอะไรที่เป็นความดีงามของของวัฒนธรรมประเพณีซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ก, การเจริญกุศลอ น, นันตธรรมแต่ถ้าหากว่าเป็นปัจจัยก่กับการที่จะทำให้โลภะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเราก็หลีกเลี่ยงถ้าอย่างนี้อย่างนี้ก็ชัดเลยแต่ถ้าถามว่ามีจะมีใครคิดอย่างเงี้ยมมกัมานี่อาจจะตอบ <c oughs> ไม่ตรงประเด็นนะค่ะฝากพี่ๆทั้งหลายนะคะ ช่วยนำข่าวเนี้ยไปบอกกับวงการในการจัดทุกครั้งว่าให้นิมนต์พระอาจารย์ไปอบรมจะได้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะนะคะเพราะว่าเพราะว่าชีวิตเราก็ยังต้องอยู่ในสังคมและชีวิตเราก็ต้องดำเนินในทางบุญนะคะถ้าบุคคลเหล่านี้ดำเนินในทางบุญได้ต่อไปนี้เราจะออกจากบ้านแต่งกายให้งดงามนะคะกิริยาอาการของเราจะอ่อนหวานแต่เพื่อ บูชาพระพุทธเจ้าก็นี้เป็นมุมหนึ่งไม่ทราบจะมีใครได้คำถามในส่วนนี้ไหมคะว่าเราจะวางทีท่าอย่างไรนะคะโดยเฉพาะพวกเราอาจจะได้แต่ดูดูแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปแต่ยังไงเสียธุรกิจของเราที่ดำเนินอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ตามดูซีว่าใจเราเนี่ยปรารถนาที่จะหมุนทำให้กิเลส กิเลสทั้งหลายคือกิเลสกรรมทั้งหลายเนี่ยมันจเจริญหรือเปล่าหรือเราจเจริญทําอาชีพของเราเพื่อเป็นไปในบุญนะคะรายได้ที่ได้มาจะวางทีท่ายัางไงคะกับรายได้ในในอาชีพนะเจ้าคะ่ะคือคือตรงนี้เสริมนิดนึงว่าคืออย่างนี้นะถ้ากลุ่มที่จเจริญทานศีลและภาวนาเป็นเขาจะคิดยังไงเวลาประกอบอาชีพเขาจะคิดบอกว่า เราจกประกอบอาชีพเพื่อเพื่อให้เพื่อสละอันนี้อันนี้คิดยากหน่อยนะเดียวมาจะบอกข้อมูลทำไมต้องกล้าคิดอย่างนี้บอกว่าทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดเราจะให้เราจะใ ห, เะให้เราจะให้พ่อเราจะให้แม่เราจะให้ญาติมิตร <c oughs> ใช่ไหมตามหลักคาสอนเลยแล้วก็จะให้เกี่ยวคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ไปมาหาสู่ ตลอดถึงจะให้คือจะบูชาพระรัตนตรยัยคือส่วนตนเองเนี่ยก็นิดหน่อยไม่ได้มากอะไรเลยแต่ถ้าจิตคิดอย่างนี้ตลอดแปลว่าเจตนาที่จะสละใช่ไมมันจะมองเห็นว่าการกระทำทั้งหลายนั้นเพื่อสละเพื่อให้จริงจริงซึ่งมันก็ทำเหมือนกันแต่วิธีคิดมันเปลี่ยนถ้าวิธีคิดเปลี่ยนเนี่ยการกระทำก็จะทำด้วยความน้อมที่จะบูชาคุณ ของพระบุรีเจ้าแล้วก็คุณของพ่อแม่บิดามารดาหรือคุณของบุญกุศลทั้งหลายถ้าอย่างนี้เป็นมงคลไงโยมเขาเรียกว่ากระตันยูรู้คุณกระต ا เวทีก็เป็นการตอบแทนคุณฉะนั้นเราเกิดมาเหยียบโลกใบนี้ทั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็คิดอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ใช่หที่เราพูดกันคำว่าโลกก็มีอะไรบ้างอะทั้งสังขารลโลกทั้งสัตว์โลกทั้งโอุภาชนะโลกใช่ไม่ใช่ ถ้าเราเข้าใจมุมอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าในส่วนสังขาและโลกก็คือดูแลสังขารของตนเองเทั้งสังขารกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์ที่สมมติว่าเป็นสัตว์บุคคลทั้งหลายภาชนะโลกก็คือจะไม่ทําโลกใบนี้ให้แปดเปื้อนด้วยการกระทําบาปของเราทั้งหลายแล้วก็ทําเพื่อบูชาคุณของพระเจ้าของพระรธานาตรยัยถ้าใจคิดอย่างนี้จริ ง, รงๆแปลว่าใจที่น้อมจะสละน้อมที่จะให้ถ้าใครคิดอย่างนี้บุญจะเกิดทุกวันไหม ทุกวันที่นั่งรถออกจากบ้านไปก็จิตคิดจะให้คิดจะให้คิดจะสละจิตก็จะเบาจะสะอาดจะสะงบด้วยแล้วจะเข้าถึงความสุขได้ง่ายแล้วก็จะไม่เป็นไปเพื่อการยึดติดห่วงเห็นใดๆเลยซึ่งก็เป็นการทำเหมือนกันศักยภาพการทำน่าจะชัดเจนกว่าเดิมด้วยซ้ำเลอันนี้ก็ฝากให้คิดหนึ่ง